วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มาด้วยความยินดียินดีในธรรมเพราะมีศรัทธาความเชื่อที่ในพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดไว้ว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง พาอความยินดีในธรรมจะทำให้ผู้ที่ยินดีได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถแห่งวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะให้รถแห่งธรรม แก่ท่านทั้งหลายได้นอกจากในพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นถ้าท่านเข้าหาพระพุทธศาสนาได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะได้รับสัมผัสกับรสแห่งธรรม ที่ชนะรสทั้งปวงคือรถแห่งวิบุติหลุดพ้นจากการจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกขจากการพัดพรากจากกันรดแห่งธรรมหรือวิบุติ หลุดพน้นจากความทุกข์นี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันสี่ชั้นเรียกว่ามรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือรถแห่งธรรมชั้นต่างๆที่ผู้ที่ศึกษา และปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สัมผัสได้รับรู้ถึงความวิเศษของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงมากับผลนี้เป็นของที่มาคู่กันมีอยู่สี่คู่ด้วยกันคือรถแห่งธรรมนี้มีแบ่งไว้สี่ 4ชั้นสี่ระดับเหมือนกับตัวอาคารอาคารมีสี่ชั้นแต่ละชั้นก็ต้องมีบันไดที่จะเดินขึ้นสู่ชั้นต่างๆบันไดก็คือมรผลก็คือรถแห่งธรรมของแต่ละชั้นนั่นเองมั ก, กับผลจึงมาเป็นคู่ๆู มีอยู่สี่คู่คู one, uma, ha, ha, nature, houette, ่ที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลคู่ที่สองเรียกว่าสกิดาคามีมัคสกิดาคามีผลคู่ที่สามเรียกว่าอนาคามีมัคอนาคามีผลคู่ที่สี่เรียกว่าอรหัตตมัคอรหัตตผลผู้ที่ต้องการ ลดแห่งธรรมคือผลของการหลุดพ้นจากความทุกข์ในชั้นต่างๆจำเป็นจะต้องจเจริญมรรคของแต่ละชั้นเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดของแต่ละชั้นจะขึ้นชั้นที่หนึ่งก็ต้องเดินบันไดของชั้นที่หนึ่งถึงจะขึ้นไปถึงชั้นที่หนึ่งได้พอถึงชั้นที่สองอยากจะขึ้นชั้น ชั้นที่หนึ่งพอถึงชั้นที่หนึ่งอยากจะขึ้นชั้นที่สองก็ต้องเดินขึ้นบันไดของชั้นที่สองขึ้นไปและทั้งสามและสี่ชั้นพอถึงชั้นที่สี่นี้จะไปถึงชั้นดาดฟ้าด้วยจะได้ขึ้นถึงชั้นดาดฟ้าคือนิพพานนิพพานนี้เรียกว่าเป็นชั้นดาดฟ้าผู้ที่จะได้นิพพานนี้ต้องได้อรหัตผลก่อน ถ้าได้โสดาผลได้สกษษษษษษษิดาคามีผลได้อนาคามีผลนี่ยังไม่ได้นิพานยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์รอยเปอร์ซ็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ต้องได้รับอาหารหัตได้ผลอาหารหัตตะผลถึงจะได้พระนิพานเหมือนผู้ที่อยู่ชั้นที่สี่ก็สามารถขึ้นไป บนชั้นดาดฟ้าได้ส่วนผู้ที่อยู่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนี้ขึ้นไปไม่ได้เพราะต้องผ่านชั้นที่สี่ก่อนถึงจะขึ้นไปสู่ชั้นดาดฟ้าได้ น, นี่คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของแต่ละชั้นต้องมีมรรคเป็นผู้พาให้หลุดพ้นมรรคของแต่ละชั้นนี้ก็ไม่เหมือนกัน เหมือนกันบางส่วนแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนกันส่วนที่ส่วนที่เหมือนกันคือมรรคีนประกอบด้วยการปฏิบัติสามประการด้วยกันคือศีลสมาธิปัญญาผู้ที่ต้องการจะเจริญมรรคในต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลของแต่ละขั้นนี้เหมือนกัน คือต้องเป็นศีล8ดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ไม่พอกำลังไม่พอต้องศีล8ปดศีลสิ 8, ส 10, หรือศีลสองร้ถึงจะสามารถปฏิบัติขั้นที่สูงต่อไปคือสมาธิได้สมาธิของแต่ละขั้นนี้ก็เหมือนกันคือต้องอยู่ในระดับอปปนาสมาธิจิตรวมอยู่ในสมาธิ และตั้งได้อยู่เป็นเวลาอันยาวนานถึงจะมีกำลังที่จะไปเจริญปัญญาต่อได้ส่วนปัญญาของแต่ละชั้นนี้จะไม่เหมือนกันศีล ส, สมาธิของทุกชั้นนี้เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์นับตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป แล้วก็ต้องฝึกเจริญสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบในระดับอับปปนาสมาธิให้ได้พอมีศีลมีสมาธิแล้วทีนี้ก็จะไปเจริญปัญญาของแต่ละชั้นที่ไม่เหมือนกันปัญญาของชั้นที่หนึ่งคือชั้นโสดาบันก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมในขันหา ว่าเป็นไตรลักษณ์หนึ่งว่าอั น, นิจังทุกขังอนัตตาขันห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรารูปก็คือร่างกายอาการส2สองทำมาจากดินน้ำลมไฟอา น, นิจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย อนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟเป็นทุกข์ถ้าไปถือว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราถ้าเจริญปัญญาจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าเป็นเพียงส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีการรวมตัวกันก็จะต้องมีการแยกตัวกันต่อไป การแยกตัวก็เรียกว่าอั น, นิจังไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปส่วนนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกคือเวทนาในขันห้านี้ก็ไม่เที่ยงมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีสุข มีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นธรรมชาติคือไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่มีใครไปควบคุมดินฟ้าอากาศไปสั่งให้ฝนตกฝนหยุดไปสั่งให้อากาศร้อนหรือไม่ร้อนได้ฉันใดไม่มีใครสั่งเวทนาให้สุขได้ตลอดเวลา ไม่มีใครสั่งให้ทุกขเวทนาหายไปเวลาเกิดทุกขเวทนามันก็เกิดมันจะอยู่ก็มันก็จะอยู่มันจะไปมันก็ไปเวทนามันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นไปตามความอยากก็จะทุกข์ พาเวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นก็อยากจะให้มันดับแต่มันไม่ดับก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาเห็นว่าเวทนามันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขกเวทนาเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไป พอดับไปก็มีไม่สุขไม่ทุกข์กัเวทนาเข้ามาแทนที่แล้วเดี๋ยวก็มีพอไม่สุขไม่ทุกข์กัเวทนาดับไปก็มีทุกข์กัเวทนาเข้ามาแทนที่ผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนเหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่มีใครไปสามารถควบคุมบังคับเวทนาที่มากับสัญญาสังขารวิญญาณได้ต้องเป็นไปตาม เหตุตามปัจจัยของเขาได้เห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะปล่อยวางได้ปล่อยให้สุขเกิดขึ้นดับไปปล่อยให้ทุกเกิดขึ้นดับไปเกิดให้ปล่อยให้ไม่สุขไม่ทุกเกิดขึ้นดับไปตามธรรมชาติของเขาถ้าปล่อยได้ก็จะไม่ทุกข์กับเวทนานี่คือการพิจารณาด้วยปัญญา เพื่อให้เห็นว่าขันห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วจิตก็จะปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันว่าเป็นตัวเราของเราจะไม่ถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจะไม่ถือว่ า, วาความรู้สึกนึกคิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราจะ พิจารณาเห็นว่าเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับร่างกายร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเมื่อมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเปลี่ยนไปตามตามเหตุตามปัจจัยของเขา ถ้าไปอยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากก็จะเกิดทุกข์ก็ทุกข์ทางใจขึ้นมาถ้ารู้ทันก็จะไม่ทุกข์รู้ว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับขันห้าได้ให้เป็นไปตามความอยากตามความต้องการของใจใจก็จะไม่ทุกข์กับขันห้าเมื่อไม่ทุกข์ก็จะได้สวดาปฏิผลขึ้นมา คือปล่อยวางขันห้าได้เห็นว่าขันห้าเป็นเพียงสภาวะธรรมไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีตัวตนในขันห้านี่คือการเจริญมรรคและผลสำหรับชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งคือชั้นโสดาโสดาบันเวลาเจริญมรรคเวลาเจริญปัญญาเวลาจะพิจารณาขันห้าด้วย ด้วยกําลังของศีลและสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงสภาวธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอัตตาตัวตนในขันห้าไม่มีอัตตาในร่างกายไม่มีอัตตาในความรู้สึกนึกคิด เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไปอยากให้เป็นไปตามความอยากความต้องการก็จะไม่สามารถทำได้พอไม่ทำไม่ได้ตามความต้องการก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ต้องการความทุกข์ใจก็ปล่อยให้ขันห้าเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาปล่อยให้ร่างกายเกิดแก่เจ็บตายไปตามธรรมชาติของเขา ปล่อยให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามธรรมชาติของเขาใจก็จะไม่ทุกข์กับขันห้าอีกต่อไปก็จะได้บรรลุขั้นโสดาปติพน์นี่คือขั้นที่หนึ่งส่วนขั้นที่สองและขั้นที่สามนี้มักก็ยังเป็นศีลเหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันแต่ต้องมาเปลี่ยนปัญญา เปลี่ยนดวงตาเห็นธรรมให้เห็นนั้นเห็นอสุภะในร่างกายเห็นอสุภะเพื่อที่จะได้ไม่ไปหลงรักไปมีกามารมณ์กับร่างกายของบุคคลต่างๆถ้าเห็นว่าสวยว่างามก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็จะมีตัณหาความอยากอยากได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเสพมาสัมผัส มาเป็นคู่ครองมาให้ความสุขกับตนแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ผสมมาด้วยเพราะเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมีโอกาสที่จะาตายได้หรือเปลี่ยนได้จากสวยงามกลายเป็นไม่สวยไม่งามได้ พอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาผู้ที่ไม่ต้องการมีความทุกข์จากการมารมม์ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมในร่างกายเห็นว่าเป็นอสุภะอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามไม่น่าดูน่าชมสุภะแปลว่าสวยงามอสุภะก็แปลว่าไม่สวยงาม ผู้ที่เจริญมรรคในชั้นนี้ก็ต้องหมั่นพิจารณาดูอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายมีอยู่อาการสาสองต้องพิจารณาให้เห็นอาการส2สองของร่างกายทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็มีขนมีผมมีเล็บมีฟันมีหนังภายในก็มีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าที่มีอยู่ในลำไส้แล้วก็มีสมองเยื่อในสมองศีรษะนอกจากนั้นก็มีน้ำต่างๆเช่นน้าเลือดน้ําเหลืองอน้าเงือน้ําตาน้ํามันข้นน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํำมูกน้าไขข้อ อาการเหล่านี้ถ้ามองเห็นด้วยปัญญาก็จะเห็นว่ามันไม่สวยงามถ้าไม่พิจารณาให้เห็นอาการต่างๆของร่างกายถ้าเห็นเพียงแต่ภายนอกเห็นเพียงแต่ผมแต่ขนเห็นเพียงแต่หนังเห็นแต่ฟันเห็นแต่เล็บก็จะเกิดความหลงขึ้นมาได้หลงไปเห็นว่าเป็น ร่างกายที่น่าดูน่าชมก็จะเกิดการมารมขึ้นมาพอเกิดการมารมก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวยต้องไปมีต้องได้มีคู่ครองมาอยู่เป็นเพื่อนมาร่วมรักกันมาร่วมเสพกามกันถึงจะเกิดความสุขชั่วคราวขึ้นมา แต่ไม่ช้าก็แล้วก็ต้องมีการพัดพลาดจากกันเพอเกิดการพัดพลาดจากกันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่ถ้าไม่ต้องการที่จะทุกข์กับเรื่องของการมารมณ์ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับนี้ก็ต้องพิจารณาอสุภะเจริญปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามถ้าอยากจะเห็นอีกส่วนก็ได้นอกจากดูอาการสาสิบสองแล้วถ้ายังไม่ถึงใจก็ให้ดูตอนที่ร่างกายตายไปก็ได้ร่างกายตายไปสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เอาไปเผาไม่ได้ไปแช่ตู้เย็นเหมือนสมัยนี้เขาก็ปล่อยให้ไปเน่าเปื่อในป่าชา้า สมัยก่อนพระก็ไปปฏิบัติธรรมในป่าช้าเพื่อที่จะได้พิจารณาอสุภะเพื่อที่จะได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายเวลามีความสวยงามแล้วเกิดกามอารมณ์เกิดความหงดหงิดเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาเลยต้องไปเสพกามต้องไปมีหาร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเสพพอ พอพอเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่น่าดูเห็นตอนที่เป็นซากศพก็จะเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีพระอยู่รูปหนึ่งก็ติดอยู่กับเรื่องของความสวยงามของร่างกายพอดีมี นางโสเพนีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงว่าสวยสวยงามได้แต่ได้ถึงแก่ความตายไปพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้พระรูปนี้ที่ติดอยู่กับกามรมารมให้ไปดูสรากศพของโสเพณีคนนี้ที่ว่าสวยว่างามตอนที่มีชีวิตอยู่พอไปเห็นสรากศพของเธอท่านนั้นก็ปรากฏดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นสุภะขึ้นมาตัดการมลลมให้หมดไปจากใจได้ทันทีนี่คือการปฏิบัติขั้นที่สองและขั้นที่สามแบ่งเป็นสอ ง, สองตอนตอนที่หนึ่งขั้นที่สองนี้เรียกว่าตอนที่หนึ่งของการพิจารณาอสุภะคือถ้ามีดวงตาเห็นธรรมทําให้การมลลมคือราคะตัณหาเบาบางลง ก็เรียกว่าได้บรรลุถึงขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีแล้วถ้าสามารถพิจารณาเห็นอสุภะมีดวงตาเห็นธรรมตลอดเวลาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะตลอดเวลา <c oughs> ก็จะบรรลุถึงขั้นที่สามขั้นอนาคามีและนี่คือขั้นของมรรคที่ต้องเจริญสำหรับผู้ที่ได้บรรลุขั้นที่หนึ่งแล้ว คือขั้นโสดาบันแสนดงว่าพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้ละกามอลุมพระโสดาบันยังจึงยังมีอยากมีแฟนยังอยากมีครอบครัวยอยู่พระโสดาบันเพียงแต่เห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ยังไม่เห็นว่าร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามเพราะว่ายังไม่ได้เจริญปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สามคือการพิจารณาอสุภะ ต้องหมั่นพิจารณาอสุภะจนไม่หลงไม่ลืมเ ห, เห็นร่างกายของไข่ที่ไหนเมื่อไหรเวลาใดก็จะเห็นอาการสาสสองหรือเห็นเป็นสร้างศพขึ้นมาทันทีถึงจะทำให้กามาลมไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ราคะตัณหาหรือการมาราคะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ถ้ามีอสุภะสัญญาอยู่ตลอดเวลา มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามออก็จะได้ออบรรลุ ข, ขั้นที่สอและขั้นที่สามตามลําดับออได้เจริญออสกิทาคามีมกักจนได้สกิทาคามีผลจากขั้นสกิทาคามีผลก็เจริญขั้นอนาคามีมากต่อจนได้ขั้นอนันอนาคามีผละ ผู้ที่ได้ถึงขัานอนาคามีแล้วก็จะตัดปัญหาเรื่องของการไปรักไปชอบไปผูกพันกับร่างกายได้จะไม่มีความอยากได้ร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ร่างกายของตนเองก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันเกิดแก่เจ็บตายร่างกายของคนอื่นก็เห็นว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม ผู้ที่ได้บรรลุขั้นที่สามนี้แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาแต่ยังจะไปเกิดในในรูปรู ป, ปพบกับอรู ป, ปพบเป็นเป็นขั้นที่ที่ยังติดอยู่เพราะว่าขั้นที่สามนี้ยังไม่ได้หลุดพ้นจาก การเวียนว่าตายเกิดได้อย่างร้อยเปอร์เซน์เพราะจิตยังไปติดอยู่กับธรรมารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตผู้ที่ต้องการที่จะบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดบรรลุถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็จําเป็นที่จะต้องเจริญทำพิจารณา ธรรมอารมณ์ให้เห็นว่าเป็นตายรักเช่นเดียวกันเหมือนกับพิจารณาขันห้าว่าเป็นตายรักก็ต้องมาพิจารณาธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจคืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์สดชื่นเบิกบานอารมณ์เศร้าซ้อยหงอยเหงาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ลำคาญใจอารมณ์อะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจ มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับเวทนาเวทนาก็เปลี่ยนไปเป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์ก็เป็นเหมือนกันอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าเวทนาอารมณ์นี้เกิดจากการที่จิตไปหลงไปยึดติดกับส่วนที่ดีของอารมณ์ต่างๆไปยึดไปติดไปชอบกับอารมณ์สงบอารมณ์สบายอารมณ์เย็นอารมณ์เบา แต่พอเวลามันพลิกกลับมาเป็นอารมณ์ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าอารมณ์ในภัยธรรมอารมณ์ภายในใจนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนในธรรมอารมณ์เหล่านี้ไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีเราความรู้สึก ค, คิดว่าเป็นเราเป็นเราเป็นของเหล่านี้ก็เป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเอง เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เกิดจากอวิชาความหลงที่ไปคิดว่าธรรมอารมณ์นี่เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนต้องพิจารณาว่าไม่มีไม่มีอัตตาตัวตนแม้แม้ในขันห้างไม่มีฉันใดในธรรมารมณ์ก็ไม่มีฉันนั้นถ้ามีดวงตาเห็นธรรม เห็นรักเห็นอนิจจังทุกขังในธรรมารมณ์จิตก็จะปล่อยวางธรรมารมณ์ทันทีแล้วก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทันทีหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทันทีทุกที่เหลืออยู่จะหายไปหมดถ้าได้เจริญมรรคขั้นที่สคือเจริญปัญญาพิจารณาธรรมารมณ์ ให้มีดวงตาเห็นธรรมว่าเป็นไตรลักษณ์เห uh, umm ็นว่าเป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ต่างๆภายในใจมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็กลัวนี่คืออารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์ ผู้ที่พิจารณาธรรมอารมณ์จะต้องรู้ทันและปล่อยวางไม่มีปฏิกิริยากับธรรมอารมณ์เหล่านั้นเวลาชัางก็เฉยเวลาลักก็เฉยเวลากโกรธก็เฉยคือปล่อยวางไม่หลงตามถ้าหลงตามเวลารักก็จะดีอกดีใจตื่นเต้นขึ้นมาเวลาชัางก็จะโกรธเกลียดขึ้นมา อ, อันนี้ แสดงว่ายังไม่มีปัญญามองไม่เห็นว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมยังหลงคิดว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราของเราอยู่ต้องปล่อยวางไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเกิดแล้วเขาดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้ารู้ทันแล้วเขาก็จะไม่มาทำให้จิตใจวุ่นวายไม่ไม่ทุกข์ไปกับอารมณ์ต่างๆ ผู้ที่รู้ทันอารมณ์รู้ว่าเป็นไตรักก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ขั้นสุดท้ายคือขั้นอรอรหัตตผลพอได้บรรลุถึงขั้นอรหัตตผลก็จะได้พระนิพพานเป็นรางวัลได้ขึ้นไปสู่ชั้นดาษฟ้าได้ชั้นดาษฟ้าก็จะไม่มีภพชาติไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือเรื่องของลถแห่งธรรมคือวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดทุกครั้งที่จะกลับมาเกิดนี้จะต้องทุกข์กันไม่ว่าจะเกิดในพบไหนก็ตามจะเกิดในการมาพบรูปรพบหรืออ า, ารมณ์พบมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมต้องดับมาเกิดในการมาพบเช่มนมาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าใครก็ตามถ้ามาเกิดจะต้องทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องหมั่นเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญาให้ได้ในแต่ละขั้นในแต่ละชั้นขั้นของพระโสดาบันก็ต้องเจริญพิจารณาไต ลักในขันห้ากแต่ก่อนที่จะไปสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้สมบูรณ์ก่อนเพราะสมาธิกับสีนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเวลาที่รอยางแตกนี้ถ้าไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนยางไม่ได้ถ้าไม่มีแม่แรงไม่มีที่ขันนอ็อตจะไปถอดน็อตออกไม่ได้จะยกล้อขึ้นไม่ได้ แต่ถ้ามีเครื่องมือก็จะสบายพอลถยางแตกก็ขันนอ็อตคลายน็อตออกยกแม่แรงยกล้อขึ้นมาถอดล้อออกเอาล้อใหม่เปลี่ยนเข้าไปแป๊บเดียวก็เสร็จ5้านาทีสิบนาทีก็เสร็จถ้ามีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีวันจะเรียกใครมาช่วยยกล้อจะมีใครมือแข็งๆที่จะไปหมุนน็อตออกได้ไม่มีต้องมีเครื่องมือก่อน ฉัในใดการที่จะใช้ปัญญาก็ต้องมีเครื่องมือเสริมเสริมสร้างปัญญาก่อนเครื่องมือที่จะเสริมสนับสนุนปัญญาก็คือต้องมีสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธินี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่เป็นในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นจะต้องรักษาอัปปนาสมาธิ ให้มีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธิคือต้องมีอุเบกขาตลอดเวลาปนาสมาธินี้ก็คือการมีอุเบกขาใจปล่อยวางใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่หลงไม่กลัวเป็นส่วนใหญ่จะมีเวลาที่เกิดความรักชังกลัวหลงก็ตอนที่เวลาเผลอสติ ให้ตันหาความอยากปรากฏขึ้นมาก็จะมีความรักชังกลัวหลงขึ้นมาพอมีความรักชังกลัวหลงก็ต้องใช้ปัญญามาระงับมันทันทีถ้าปัญญาทันความอยากความรักชังกลัวหลงก็จะสงบตัวลงความทุกข์ก็จะก็จะสงบตัวลงความรักชังกลัวหลงของระดับ ที่หนึ่งก็คือความรักชังในร่างกายในขันห้านี้เองทุกคนนี้รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นครับพอมีอะไรมากระทบกับร่างกายหน่อยนี้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันหายไปภัยที่จะมากระทบอยากให้มันหายไปเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันหายไปถ้าไม่หายก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมา แต่ถ้ามีปัญญารู้ทันว่ามันเป็นธรรมดาของขันห้าที่จะต้องมีมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายพอมันเจ็บก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาห้ามมันไม่ได้ก็อย่าไปอยากให้มันหายหรืออยากจะให้มันไม่เจ็บเมื่อมันเจ็บก็เจ็บไปดูแลกันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันมันจะตายก็ต้องปล่อยมันไปถ้ามันไม่ตายก็ก็ดูแลกันไปต่อแม่ช้าก็หลวก็รู้ว่าในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีผู้ที่มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมในขั้นขันห้านี้ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย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 ถึงจะทันกับกิเลสที่มันทํางานอยู่ตลอดเวลากิเลสมันทํางานมันยึดมันติดกับร่างกายยึดติดกับขันห้าอยู่ตลอดเวลาพอมีอะไรมากระทบหน่อยกิเลสมันจะโผล่ขึ้นมาทันทีพอเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นิดมันจะโอ้มันจะโวยวายขึ้นมาทันทีจะรีบหาอยู่หายาหาอะไรขึ้นมาทันทีพอมีภัยอะไรมา มาใกล้ตัวหน่อยมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแสดงว่ายังไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาพอมันเกิดปุ๊บนี่มันจะหยุดทันทีมันจะดับทันทีพอเกิดความกลัวขึ้นมาปุ๊บถ้าปัญญาอยู่ด้วยมันจะหยุดความกลัวทันทีถ้าทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยปัญญามันจะหยุดทันที หยุดความทุกข์ได้ทันทีเช่นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้บางคนนี่โอ้ยทุกข์ไปทั้งวันทั้งคืนแสดงว่าไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาลู่ทันขันห้าว่ามันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยวิธีเจริญปัญญาให้เจริญว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าปัญญายัางไม่ทันถ้ายังทุกข์กับความแก่อยู่พอเห็นขนผมงอกขึ้นมาเส้นหนึ่งใจก็ทุกข์แล้วเห็นหนังเหยิยวขึ้นมาหน่อยเห็นฟ้าโผล่ขึ้นมาหน่อยก็เกิดความทุกข์แล้วนี่แสดงว่าไม่มีปัญญาปัญญาไม่ทันะ ไม่ได้เจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องปัญญาต้องเป็นปัญญาแบบทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอพิจารณาความตายวันละกี่ครั้งอานนท์บอกว่าผมพิจารณาวันละสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนท่านพุทธเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่พิจารณาแบบนี้ยังไม่พอ ยังประมาทยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่มีความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาปรากฏในใจให้รับรู้วิธีที่จะทำให้เธอไม่ประมาทก็คือเธอต้องระ ล, ลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจเข้าก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตาย ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าความตายนี้อยู่แค่ปลายจมูกนี้เองไม่มีใครหนีความตายไปได้ไม่มีใครหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่มีใครหนีความตายไปได้หนีความแก่ไปได้เพราะฉะนั้นอยานน่าหนีเพราะหนีแล้วมันทุกข์มันเหนื่อยไปเปล่าๆหนียังไงเขาก็ตามทันอยู่ดีเขาไล่ทันความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไล่ทันจะหนี เร็วขนาดไหนช้าขนาดไหนก็นห น, นีไม่ทันมันอยา่าไปห น, นีให้เหนื่อยดีกว่าเพราะหนีแสดงว่ามันทําให้ทุกข์ไ ป, ปเปล่าๆสู้อยู่เฉยๆดีกว่าสู้มาฝึกจิตใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้นี่ทําไมจึงต้องมีสมาธิในระดับอุเบกขาเพราะถ้ามันไม่มีอุเบกขาเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายมันจะหยุดหนีไม่ได้เพราะความอยากมันจะบงังค่บ มันจะสั่งให้หนีแต่ถ้าเรามีอุเบกขามีปัญญารู้ว่าหนีไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆหนีไปเขาก็จับได้อยู่ดีหนีไปทําไมเช่นถ้าเป็นโจรห น, นียังไงตารวจเ้าตามจับได้อยู่ดีไปหนีให้มันเหนื่อยทําไมเหนื่อยทั้งตํารวจเหนื่อยทั้งโจรใช่ไหมก็อยู่เฉยๆยอมให้เขาจับไปขังคุกติดคุกติดตารางไปเดี๋ยวไม่กี่ปีถ้าพ้นโทษก็ยังออกมาได้อยู่ไม่ต้องเหนื่อย คนไล่จับก็ไม่เหนื่อยคนหนีก็ไม่เหนื่อยแต่คนไล่จับนี้เขาไม่เหนื่อยคนที่ความแก่ความเจ็บความตายนี้เขาไม่เหนื่อยเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเขาเป็นดินฟ้าอากาศเขามาตามธรรมชาติของเขาแล้อาอย่าหนีธรรมชาติหนีไม่ได้แต่มันหนีเพราะมีกิเลสตัณหาครอบงาจิตใ จ, จยอยู่ทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ได้ยินได้ฟังอยู่ แต่ถ้ายังไม่ไปฝึกสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาเนี่ยพอเจอความแก่ความเจ็บความตายมันจะหนีทันทีถึงแม้จะได้ยินได้ฟังธรรมว่าหนีไม่ได้มันก็ยังจะหนีอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้ฝึกหยุดหนีนั่นเองถึงต้องมาฝึกหยุดหนีฝึกให้มันเป็นอุเบกขาทำใจให้เป็นอุเบกขาให้นิ่งเฉยให้ได้นี่คือความสำคัญของสมาธิ ในระดับอัปปนาสมาธิสมาธิระดับอื่นนี้มันสงบเดียวเดียวคณิกะมันสงบแป๊บเดียวแล้วเดียวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือแบบไม่สงบเราต้องฝึกจิตให้มันสงบตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องรักษาอัปปนานี้ไว้ด้วยการใช้สติประครับประคองให้ใจเฉยต่อไปให้สักแต่วรู้ เห็นอะไรมากระทบกับขันห้าก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปมีอะไรมากระทบกับร่างกายก็สักแต่ว่ารู้ไปแต่ไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ทอดทิ้งร่างกายถ้ามีอะไรทำให้กับร่างกายได้ก็ทำไปเมื่อถึงเวลาหิวจะกินอาหารก็กินไปแต่ถ้าหิวแล้วไม่มีอาหารให้กินก็ไม่เดือดร้อนกับการหิวต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่พอ ปล่อยวางร่างกายได้ก็ไม่อาบน้ำอาบท่าไม่กินข้าวไม่ทำอะไรเลยนี่เรียกว่าบ้าปล่อยวางแบบบ้าปล่อยวางแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาคนที่เขาปล่อยวางแบบมีสติมีปัญญาเขาเขาปล่อยวางคือใจเขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายแต่ในขณะที่ร่างกายมันยังอยู่ยังต้องดูแลมันก็ดูแลไปตามหน้าที่ เหมือนพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังบินถบาทหาอาหารมาฉันอยู่แต่ถ้าวันไหนท่านขาดอาหารอดอาหารท่านจะไม่โวยวายท่านจะไม่บน่นท่านจะไม่ทุกข์กับการอดอาหารขาดอาหารมันเป็นเพียงทุกขเวทนาที่ท่านได้พิจารณาผ่านมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เดือดร้อนกับความหิวอาหารเวลาไม่มีอาหารให้ดื่ม เวลาไม่มีน้ำไม่ดื่มก็ไม่เดือดร้อนแต่ท่านดื่มได้ก็สั่งให้เขาไปหามาเช่นพระพุทธเจ้าตอนใกล้จะเสด็จนิพพานท่านเดินทางไกลเดินแล้วเหนื่อยขันมันเหนื่อยร่างกายเหนื่อยไม่ใช่จิตใจเหนื่อยร่างกายมันขาดน้ำเหมือนกับรถยนต์ที่มันขาดน้ำมอน้ามั น, มนอ่านอญ้ำมันเดือดเพราะน้ำไม่พอร่างกายก็เหมือนกันเหมือนกันกบ รถยนต์เวลาขาดน้ำมันก็ทำให้รู้สึกกระหายน้ำพระพุทธเจ้าก็สั่งบอกอานอนท์เธอไปหาน้ำมาให้เราดื่มหน่อยอันนี้ไม่ได้ไปด้วยความอยากแต่ไปเพราะความจำเป็นให้หาน้ำมาดูแลร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ ใจของพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์กับความหิวน้ําของร่างกายแต่จําเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายก็ต้องสั่งให้เขาไปเอาน้ํามาให้ดื่มพอไปดื่มก็ไปเจอแต่น้ําขุนพระพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรมันเป็นวิบากของพระ อ, องค์พระ อ, องค์เคยไปตัดแก้งวัวควายมาทําน้ําให้มันขุนพอถึงเวลาท่านจะดื่มน้ําบ้างมันก็เลยเจอน้ําขุน ท่านก็ยอมรับเดือมน้ําคุณคุณไปออแต่ใจของท่านไม่ทุกข์กับเรื่องความทุกข์ของร่างกายแต่ต้องทําหน้าที่ดูแลร่างกายต่อไปเมื่อมันยังอยู่ในภาระความรับผิดชอบของใจก็ดูแลไปพอดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันพอพอดูแลไม่ได้กินก็กินไม่ได้เดือมก็เดือมไม่ได้ หายใจก็หายไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามความเป็นจริงของมันแต่ใจก็เหมือนเดิมไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนต่อความเป็นความตายของร่างกายแต่อย่างใดนี่คือเรื่องของปัญญาของผู้ที่ต้องการที่จะเจริญมรรคขั้นที่หนึ่งต้องเจริญด้วยการพิจารณาขันห้าขันห้าก็คือรูปก็คือร่างกาย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่านามขันมันมาเป็นพวงมันมาด้วยกันเป็นทีมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายก็มาแยกออกมาเป็นคนละส่วนกันแต่พอมารวมกันเราก็เรียกว่าขันห้าขันห้าเราก็ต้องแยกเป็นสองส่วนณนะรูปประขันกับ น, นามขันรูปประขันเราก็พิจารณาว่าร่างกาย เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นอนัตตาทำมาจากดินน้ำลมไปฟอาหารที่กินเข้าไปมันมาจากไหนถ้าไม่มาจากดินะข้าวมันผมพะข้าวมันลอยมาจากอากาศหรือเปล่าข้าวมันก็ต้องออกมาจากดินต้องปลูกข้าวงั้นข้าวก็คือดินนี่เองดินที่กินได้เอดินมีสองแบบดินแบบที่กินไม่ได้กับดินที่กินได้ ดินที่กินได้ต้องผ่านต้นไม้ต้องผ่านต้นข้าวอาศัยต้นข้าวมาแปลงดินที่กินไม่ได้มาเป็นดินที่กินได้ผลไม้ที่เรากินมันก็เป็นดินที่ใช้ต้นไม้มาแปลงให้เป็นดินที่เรากินกันได้นั่นเองความจริงมันก็เป็นดินดีๆนี้เองพอเรากินเข้าไปเดี๋ยวถ่ายออกมามันก็กลับไปเป็นปุ๋ยต่อไป มันก็เป็นดินกลับไปเป็นดินร่างกายเราเป็นตัวแปลงอาหารที่กินได้มาเป็นอาหารที่กินไม่ได้ส่วนต้นไม้นี่เป็นตัวแปลงอาหารตัวแปลงดินที่กินไม่ได้มาเป็นดินที่เรากินได้ส่วนร่างกายเรานี้มาแปลงดินที่กินได้มาเป็นดินที่กินไม่ได้พอถ่ายออกมาไม่มีใครกินนะนอกจากสุนัขสุนัขยังกินได้อยู่ยังกินดินของมนุษย์ได้อยู่ แล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นปุ๋ยไปเดี๋ยวไปถ่ายไปลงไปกลับไปมันก็กลายเป็นดินไปแล้วเดี๋ยวมันก็พอมีต้นไม้มาเกิดบนดินนั้นมันเดี๋ยวมันก็มาทําให้มีต้นต้นคะมีผลมีมเมล็ดข้าวมีผลไม้ต่างๆขึ้นมางั้นของที่เรากินนี้ก็คือดินนะส่วนหนึ่งคือดินอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําของเหลวเนี่ย เวลากินแกงกินอะไรมันก็มีน้าผสมมาด้วยผสมกับดินแล้วการที่จะทำอาหารให้มันสุกก็ต้องมีไฟทำให้มันสุกก็มีธาตุไฟรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีสามอย่างเราก็กินเข้าไปส่วนธาตุลมเราก็อาศัยหายใจเข้าไปลมหายใจก็คือธาตุลมพอดินน้าลมไฟมันเข้าไปในร่างกายมันก็ไป สร้างอาการ32สองขึ้นมาแปสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาผมที่เรายาวขึ้นมาเล็บเรายาวมาเพราะเรามีดินน้ำลมไฟคอยเข้าไปเติมอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่คนตายนี้พอตายแล้วมันจะไม่มีการจเจริญเติบโตเพราะไม่มีดินน้ำลมไฟเข้าไปเสริมถ้าเป็นโรงงานก็ไม่มีวัตถุ ด, ดิบ เมื่อไม่มีวัตถุ ด, ดิบก็ไม่มีสินค้าที่จะผลิตออกมาได้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโรงงานผลิตอาการ32โดยอาศัยวัตถุ ด, ดิบคือดินน้ำลมไฟที่มาในรูปของอาหารมาในรูปของเครื่องดืม่มมาในรูปของความร้อนที่มาเข้ามาผ่านทางร่างกายและผ่านผ่านทางอาหารอันนี้เป็นธาตุไฟ ธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกแลร่างกายของเรานี้เป็นการเป็นธาตุสีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นธาตุสีถ้าเราไม่พิ จ, จารณาถ้าเราไม่ศึกษาความจริงเราจะไม่เห็นว่าร่างกายนี้ก็คือดินน้ําลมไฟดีๆนี่เองที่ถูกแปลสภาพมาให้เป็นผมขนเล็บฟันเป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วที่มันเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ก็เพราะใจมาสอนให้มันเคลื่อนไหวน ใจถ้าไม่มีใจมาสอนมาควบคุมมาสั่งร่างกายร่างกายมันจะเดินไม่ได้ยืนไม่ได้วิ่งไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ที่มันทําอะไรได้อยู่เพราะใจมาหัดมาสอนมันตั้งแต่เด็กพอาเป็นเด็กมันก็หัดคลานหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งเพราะใจมันอยากจะเอาร่างกายไปหาความสุขนั่นเองใจมีกามตัณหามีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส คนทะัะมีความสุขอ ย, อยากหาความจุขจากคนนั้นคนนี้ก็เลยต้องสอนร่างกายให้มันเคลื่อนไหวได้พอร่างกายเคลื่อนไหวได้ก็สั่งให้มันไปหารูปมาดูไปหาเสียงมาฟังไปหากลิ่นมาดมไปหารสมาเสบมาริมรสล้วก็เกิดความสุขกับการได้เสพสิ่งเหล่านี้ก็หากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงหมดกําลัง แก่ลงเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถหาได้อตอนที่ไม่สามารถหาได้ตอนนั้นก็เจอแต่ความทุกข์กันเจอแต่ความทรมานใจกันนี่นี่คือผลที่เกิดจากการมีกามาตัณหาการมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสยึงทำให้ใจมาครอบครองร่างกายเวลามีการผลิตร่างกายของพ่อแม่คนใหม่ของเรา เวลาเราตายไปเราก็จากร่างกายอันเก่าของเราเราไม่มีร่างกายแต่เรายังมีความอยากนะความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่พอพ่อแม่คนใหม่เขาผลิตร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราก็ไปครอบครองทันทีพอมีการครอบครองก็จะมีการปฏิสนธิมีการตั้งครรภ์ขึ้นมา แล้วร่างกายที่ก่อร่างสร้างตัวก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาในในท้องแม่เริ่มสร้างอาการสาสิบสองขึ้นมาในท้องแม่พอมีอาการครบสามสิบสองแล้วก็อยู่จนอยู่ไม่ได้เพราะมันแน่นท้องแม่ก็เลยต้องคลอดลูกออกมาพอคลอดออกมาก็ก็หาดินน้ำลมไฟหาอาหารหาอะไรมาให้กับร่างกาย แล้วก็พอร่างกายเริ่มจเจริญเติบโ ต, ตก็สอนให้มันทําอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปเสพต่อไปนี่คือการเกิดแก่เจ็บตายที่จิตมาเกาะติดกับร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็เป็นการหาความทุกข์ไปในตัวโดยไม่รู้สึกตัว เพราะความสุขที่หาได้นี่มันเป็นเหมือนอเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นเองพอไปพอปลาไปหุบเหยื่อก็จะถูกเบ็ดเกี่ยวปากด้วยหรือเป็นถ้าเป็นเนื้อปลาก็เป็นปลาที่มีก้างพอกินเนื้อปลาที่มีก้างเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกก้างตาปากตาคอเอาอันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพ เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองได้มาก็ดีใจพอเสียไปก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ไม่เข็ดเพราะว่าความอยากมันคอยดันให้ไปหาใหม่อยู่เรื่อยเพราะว่าถ้าไม่หามันก็ยิ่งทรมานใหญ่ถึงแม้จะทรมานถึงแม้จะทุกจากการสูญเสียไปแต่มันผ่านไปแล้วก็ลืมมันละ แล้วมันก็ทุกทรมานกับความอยากที่จะหาใหม่มันก็เลยต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายตายไปก็ไปหาร่างกายมาหาใหม่ไปเกิดใหม่อีกอันนี้คือการไปเวียนว่ายตายเกิดและนี่คือการทำหน้าที่ของการพิจารณาปัญญาในขันห้าในร่างกายในเวทนาให้รู้ว่าการมาเกิดนี้มันจะต้องมาเจอกับความทุกข์ ของความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่ต้องการมาเกิดก็ให้มาพิจารณาปัญญาเพื่อตัดความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายพิจารณาปล่อยวางร่างกายเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วให้มาหาความสุขผ่านทางจิตใจโดยการฝึกสมาธิทําจิตใจให้สงบให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิ เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่ความสงบของใจถ้าเข้าถึงอับปนาสมาธิได้ก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เพราะการใช้ร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมาทุกข์เพราะร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเอง พอพิจารณาปล่อยวางร่างกายไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกา ย, ากายตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายเมื่อร่างกายมันเราไม่ต้องอาศัยมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่มากระทบอะไรกับเราแต่ถ้าเรายังต้องอาศัยมันอยู่พอมันเป็นอะไรมันจะกระทบกับเราทันทีมันจะทาให้เราทุกข์ขึ้นมาทันที เช่นถ้าเราอาศัยอะไรอยู่แล้ววันดีคืินดีอาศัยมันไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นมาเช่นทุกวันนี้เราอาศัยรถยนต์พาเราไปไหนมาไหนเกิดวันไหนรถเสียหรือรถหายไปทำไงเดือดร้อนไหมวุ่นวายไหมทุกไหมอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ใช้รถไม่มีไม่ต้องอาศัยรถยนต์เราไม่ได้ไปไหนเราจะเดือดร้อนไห่เวลารถหายหรือรถเสียไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ใช้มัน ในร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นขันห้าก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นว่าการการเส็บหาความสุขผ่านทางขันห้านี้มันเป็นการหาความทุกข์มากกว่าการหาความสุขก็หยุดหามันดีกว่าแล้วเปลี่ยนการหาความสุขมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราได้จากการฝึกสมาธิได้อัปปนาสมาธิมา เราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสกพอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือทำไมเราจึงต้องมาเจริญมรรคกันเจริญมรรคเพื่อให้เราได้ปล่อยวางขันห้าไม่ต้องไปพึ่งขันห้าไม่ต้องไปยึดไปติดกับขันห้าไม่ต้องไปอาศัยขันห้ามาเป็นเครื่องมือหาความสุข ก็เราสามารถมีความสุขจากการทำใจให้ให้สงบได้ในในอัปปนาสมาธิเพียงแต่ว่าความสุขในอัปปนาสมาธินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ยังไม่ถาวรต้องอาศัยสติคอยรักษาไว้แต่พอเราได้ปัญญาระดับโสดาบันเราก็จะสามารถพลิกความสงบความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธินี้ให้เป็นความสุขของโสดาบัน ที่เป็นความสุขที่ถาวรกว่าได้แต่ยังเป็นความสุขในส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ความสุขของการหลุดของทำแต่ละชั้นนีมันเป็นความสุขที่ต้องสร้างขึ้นมาก่อนถ้าได้โสดาบันก็ได้เสี่ยวหนึ่งละได้หนึ่งในสีของความสุขที่ถาวรเปลี่ยนจากความสุขที่ไม่ถาวรของอปปนาสมาธิมาเป็นความสุขที่ถาวร ด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญานี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญเพื่อที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆของใจที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่ถาได้มานี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่ถาวร ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็มันก็จะต้องเปลี่ยนไปจากไปหรือหมดไปพอหมดก็ต้องหาใหม่หาใหม่ก็ต้องมีร่างกายอันใหม่มีร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายต่อไปจึงต้องพิจารณาปล่อยวางความอยากต่างๆให้ได้พอปล่อยวางขั้นที่หนึ่งได้ก็ไปพิจารณาขั้นที่สองขั้นที่สามเพื่อปล่อยวางเพื่อปล่อยวาง ความอยากในร่างกายของผู้อื่นความอยากมีกามารมณ์ความอยากเสพะกามารมณ์ต่างๆก็ต้องใช้การพิจารณาปัญญาขั้นที่สองที่สามคืออสุภะพอได้แล้วก็จะได้ความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกระดับเป็นความสุขห้ปอร์เซ็์ได้ครึ่งหนึ่งแลเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ยังไปหาอาศัยความสุขจากธรรมารมณ์ก็ต้องพิจารณาว่าธรรมารมณ์ก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเจริญมีเสื่อมคือความสุขจากฌานขั้นต่างๆจากสมาธินี่เองมันก็เป็นความสุขที่ไม่เทีย่ยงอย่านี้ก็อย่าไปอาศัยความสุขจากความสงบเราสามารถหาอาศัยความสงบที่เกิดจากปัญญาจะดีกว่าคือปล่อยวางธรรมอารมณ์พอปล่อยวางธรรมอารมณ์ได้ทีนี้ก็จะได้ความสุขที่ถาวรเต็มร้อยอยู่ภายในใจ เราก็เรียกว่าเป็นนิพพานขึ้นมาทันทีความสุขที่เต็มร้อยเรียกว่า Bal omos, Bal omos, บรมมบรมมัสุขนิ บ, บานังปรมังสุขขังอันนี่เป็นความสุขที่เต็มร้อยที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนะไม่เหมือนกับความสุขของสมาธิที่มีการเสื่อมมีวันมีเจริญและมีเสื่อมได้ความสุขของโสดาบันก็ยังไม่ไม่เต็มร้อยความสุขของสกิดาคามีอนนาคามีก็ยังไม่เต็มร้อย ต้องความสุขของพระอาหารหันต์เท่านั้นถึงจะทาให้เกิดความสุขเต็มร้อยที่ถาวอนขึ้นมานี่คือการผลที่เกิดจากการที่เรามาเข้ามาหาธรรมมามีความยินดีกับธรรมถ้าเราไม่มีความยินดีในธรรมเราก็จะไม่ไมากันเพราะที่นี่ไม่มีอะไรให้ถ้ายินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องไปแถวพัทยาไปแถว ที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่ถ้าเรายินดีในธรรมเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่จะสอนให้เราสร้างธรรมอันประเสริฐขึ้นมาสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงขึ้นมาพอเราได้ยินได้ฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมา พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันเองสินค้าชนิดนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันว่าถ้าไม่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมภายในเจดวันก็ไม่ก็ไม่เกินเจดเดือนถ้าไม่เกินเจดเดือนก็รับประกันว่าไม่เกินเจดปีแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความขยันหมั่นเพียรของผู้ศึกษาของผู้ปฏิบัติถ้าขยันมากเก่งมากฉลาดมากเจดวันก็สามารถ รู้ผลทันทีถ้าน้อยหน่อยก็เจ็ดเดือนถ้าน้อยมากกว่านั้นก็เจดปีแต่ถ้ามีความเพียรพยายามที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติทุกคนที่จะพูดทุกคนที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัตินี้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทุกคนภายในเจ็ดปีเป็นอย่างมากนี่คือเรื่องของการยินดีในธรรมที่ชนะการยินดีทั้งปวง เพราะการยินดีในธรรมจะทำให้เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทางปวงรถที่ชนะรถทั้ปวงคืออะไรรถที่คือรถของการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองรถต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นราบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรถนี้มล้วนมีความทุกข์ติดมาด้วยถ้าเป็นปลาก็มีก้างติดมาด้วยแต่รถแห่งธรรมนี้เป็นปลาที่ไม่มีก้าง กินยังไงก็ไม่ถูกก้างตา่ำคอนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราจึงขอให้ท่านจงนำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขคือลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนี้ที่จะเป็นผลตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอ ยะถาวะริวหาปุราปริโพเนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกัรปติอ an ิจีตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปเรนตุจังกปาจันท ah ูปนาฬโสยะถามณิโชติ พระโสยะถาสภีติโยวิวาดชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวะธนศิริสานิจจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมาวัฏานติอายุวันโอสุขัง าาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาทั้งหมดหนึ่งดบมคน YouTube 245หคนวิทยุออนไลน์9คนวันนี้วิทยุออนไลน์มีปัญหาครับผมผู้รับฟังบนเขาหนึ่งแิบคนรวมทั้งหมด หกร้อยยี่สิบเอ็ดคนครับผม uh, <yeah. S 2> มีคำถามจากคุณวชิราวิทย์นะคะแกรบเรียนถามเคยปฏิบัติสายยุบหน่อมาขณะนั่งเคยฝึกกำหนดยินหนอยินหนอแต่กำหนดบ่อยกว่าอย่างอื่นจนได้ยินเสียงดังๆเช่นประทัดยักษ์ฟ้าผ่ามันจะเกิดยินหนอโดยอัตโนมัติ ไม่ค่อยตกใจเลยถูกทางไหมจะติดเราไปตลอดไหมครับอ๋อไม่ถูกเราการนั่งสมาธินี้เพื่อหยุดความคิดหยุดความสนใจกับสิ่งต่างๆทั้งหมดให้จิตใจรวมอยู่กับความว่างความสงบตอนตอน้นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกเช่นยกยุบหนอพองหนอไป แต่ไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจมีเรื่องอื่นมาปรากฏก็ไม่ต้องไปตามรู้ให้รู้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวพองเข้าก็เรียกว่าพองหนอออกก็เรียกว่ายุบหนอให้รู้แค่นี้เพื่อที่หยุดความคิดปรุงแต่งหยุดหยุดความสนใจในสิ่งต่างๆไปให้หมดจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณสุบินอิทธานนท์กราบขออนุญาตถาม ฝันเห็นแม่เสียไปแล้วลูกก็เลยโอนเงินร่วมสร้างเจดีสร้างศาลาแล้วอุทิศบุญให้แม่มีวิมานทิพย์อยู่แบบนี้ถูกไหมเจ้าคะอ่าถูกแล้วแหละคำถามจากคุณสวยหล่อกราบในมัสการพระอาจารย์ครับตั้งแต่ผมปฏิบัติธรรมมาเวลารู้ข่าวแม่พ่อป่วยผมไม่รู้สึกเป็นห่วงเหมือนเมื่อก่อน แต่ตอนได้รถมาหรือได้สิ่งของต่างๆมาก็ไม่ดีใจไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแบบนี้จิตใจมันเป็นอย่างไรครับก็จิตใจก็เฉยไม่ทุกเนี่ยก็ดีไงดีกว่าทุกถ้าดีใจแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียใจถ้าเวลาได้อะไรมาดีใจเดี๋ยวเวลาเสียสิ่งที่ได้มาไปก็จะเสียใจถ้าไม่ดีใจเวลาเขาไปเราก็จะไม่เสียใจ คำถามจากคุณพัชระดากราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการอาโหสิกรรมค่ะว่ามีผลทำให้ไม่ต้องรับกรรมหรือไม่คะแล้วแต่ผู้ที่เขาที่เราไปขออโหสิกรรมด้วยถ้าเราขออโหสิกรรมเขาให้อาภัยไม่ถือโทษเราก็ไม่ต้องรับกรรมจากเขาแต่เรายังต้องรับกรรมจากกรรมที่เราทำอยู่เพราะว่าการกระทากรรม มันไม่ไม่ใช่อยู่ที่คนที่เราไปทำด้วยอย่างเดียวมันมีผลที่จะทำให้เราต้องไปรับผลต่ออีกทีหนึ่งคำถามจากคุณพิชยายิ้มลำยกราบเรียนถามพระอาจารย์ลูกจะเอาขั้นสกิทาคามีมันไม่ได้เลยลูกอยู่จุดนี้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วลูกจะทำอย่างไรเจ้าคะแต่ลูกไม่ท้อค่ะเพราะรู้มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นกราบให้คาชี้แนะเจ้าคะ่ะ ก็ไปทํางานที่ห้อง ช, ชันสูตรศพ บ, บ้างไปสมัครงานเป็นอาสาสมัครทํางานที่ห้องชันสูตรศพหรือไปเป็นพนังกงานช่วยเก็บศพปลอดเต็ตงหรือไปช่วยเป็นผู้ช่วยสับปเปลออะไรทํานองนี้ให้มีโอกาสได้เห็นซากศพอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆแล้วนําเอามาทบทวนอำมาพิจารณา ให้มันติดหูติดตาจนกระทั่งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแล้วต่อไปเห็นร่างกายของไข่ก็จะเห็นเป็นซากศพไปหมดการมาลมก็จะถูกกาจัดไปได้คำถามจากคุณเพนพั น, นธัทวีกราบเรียนถามพระอาจารย์ด้วยเสียงกล้าวถ้าลูกเคยมีสร้อยคอห้อยสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆวันหนึ่งรู้สึกว่า มีแต่พระรัตนตรัยในจิตใจแม้ขณะนี้รู้ตัวว่ายังมีจิตไม่เข้มแข็งพอไม่อยากจะให้คอใดๆยกเว้นสร้อยพระจะถือว่าเป็นการเนรคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยนับถือมาตลอดชีวิตหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่หรอกเพียงแต่เป็นการมีหูตาสว่างขึ้นรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้ว หมดแล้วเลยความหลงมันไปทําให้เราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราไม่มีความรู้ไม่ไม่มีธรรมะเราก็เลยเป็นหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไปว่าตะกุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไปว่า อ, อมาหาลึงอะไรสิว่านึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นมันเป็นความความคิดความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาแต่ คนที่ได้ศึกษาทําได้ปฏิบัติทําแล้วจะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกฎแห่งกรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีอะไรที่จ ะ, ะเหนือกฎแห่งกรรมไปได้มีคำถามจากคุณบุญญาพิรมค่ะคำถามค่ะหากมีคนมาทำร้ายเราแต่เราให้อภัยเขาเพราะไม่อยากผูกเวรกับเขา เขาจะยังต้องรับกรรมนั้นๆหรือไม่คะเขาก็ต้องรับกรรมเพราะกฎแห่งกรรมนี้ลบล้างไม่ได้ไปทาร้ายเราหล่อไปข้างหน้าก็อาจจะถูกคนอื่นทำร้ายแทนเราก็ได้ถ้าเราไปทำอะไรแล้วมันจะกลับมาหาเราไม่ช้าก็เร็วทำดีความดีก็จะกลับมาหาเราทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาหาเร า, างั้นอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีดีกว่า ทำแต่สิ่งที่ดีแล้วจะได้สิ่งที่ดีกลับมาหาเรา อ, อันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เกิดมีคำถามจากอินบ็อกซ์นะคะจากคุณกนกวันไม้สุพรกราบนามาสการ์พระอาจารย์ค่ะหนูมีปัญหาเยอะมากขอนมัสการพระอาจารย์ ขอธรรมะให้หนูด้วยค่ะก็เอาทีละข้อก็แล้วกันปัญหาไหนมันมาก็แก้มันไปทีละข้ออย่อย่าไปพยายามแก้มันทีทีเดียวทั้งหมดเอาแต่ละข้อเอาข้อที่มันมาใกล้ตัวเราที่สุดก่อนข้อที่จำเป็นที่ต้องแก้ก่อนแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้ว่าวิธีแก้ปัญหา ให้แก้อย่างไรแต่อย่าไปพยายามแก้ทีเดียวให้มันหมดมันมากก็ตามแต่เราเหมือนกับทำความสะอาดบ้านเราต้องทำทีละส่วนไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันเสร็จไปทั้งหมดทั้งบ้านไม่ได้ต้องไล่ทำไปทีละห้องสองห้องทำไปเรื่อยๆขอให้มีความขยันมีความเพียรที่จะแก้ปัญหาแล้วขอให้ไปศึกษาวิธีแก้ปัญหา ให้ได้รู้จักวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆก็จะแก้ได้หมดความจริงปัญหาที่แก้ได้มันก็มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็มีปัญหาที่แก้ได้ก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นในใจของเราปัญหาที่อยู่ข้างนอกใจของเรานี้บางทีเราก็แก้ไม่ได้เราไปแก้คนอื่นไม่ได้แต่เราแก้เราได้ แค่เรามีปัญหากับคนอื่นเขาไม่ชอบเราเราอยากจะให้เขาไม่เลิกชอบเลิกไม่ชอบเราแต่เราไปทําความดีกับเขาอย่างไรเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่เราก็ต้องมาแก้ที่ใจเราว่าอะเมื่อเขาไม่ยอมอที่จะเลิกไม่ชอบเราเราก็ต้องทําใจเราก็ยอมรับว่าปล่อยให้เขาไม่ชอบเราไปพอเขาไม่ชอบเรายอมรับเขาไม่ชอบเราได้เราก็จะไม่ ไม่เป็นปัญหาเนยเราก็จะสบายใจเห็นปัญหาบางทีมันแก้ได้ในใจเราแต่ปัญหาข้างนอกบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้แต่ไม่เป็นปัญหาปัญหาภายนอกไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาคือปัญหาในใจเราที่ทำให้เราวุ่นวายใจนี่คือตัวใจของเราเองที่ไม่ยอมรับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็จะไม่เป็นใจของเราก็จะไม่มีปัญหา ใจของเราก็จะสงบจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณบุญเสริมขอกราบเรียนถามครับสติปัญญาสี่มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรครับหมายถึงอะไรสติปัญญาสี่ถ้าสี่ขั้นที่แสดงไว้ในในในมรรคผลวิปานก็นปัญญาขั้นสวสดาบันก็พิจนา ขันธ์้าให้เป็นหเห็นให้เห็นเป็นตายรักปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สามก็พิจารณาให้ั่งเห็นร่างกายว่าเป็นสุภาะปัญญาขั้นที่สี่ก็พิจารณาให้เห็นธรรมารมณ์ว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเพื่อปล่อยวางพอปลอวางแล้วก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อไปมีอีกไหมคําถามโอเค